จริงของธรรมชาตินะครับซ่อนตัวอยู่ซึ่งซึ่งหน้าดังนั้นด้วยอาศัยสื่อภาษาซึ่งเป็นที่มาของความทิดรังแต่ทำให้จิตสร้างโลกของมันเองขึ้นเราได้ยินในนามของข้าสมมุตรแลวเราจะได้ยินคู่เปรียบ ว, ว่าข้าปารมัตข้าส ม, มุหมนว่า สร้างคุณค่าขึ้นเช่นตัวอย่างทองคำซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่รู้สึกว่ามีคุณค่ามหาศาลในขณะที่ดินเหนียวก้อนดินที่ฝุ่นก็กลายเนสิ่งร้ายค่าไม่มีมูลค่าแต่ผมคิดว่าทุกคนพอจะนึกตามได้งูสองไม่ mm. มว่าจะเป็นลิง mm. หรือเป็นไก่ ปลาลือนกจะรู้สึกดินเหนียวกับทองคำนั้นแตกต่างกันไม่มากอาจจะต่างในสีสันแต่มูณค่านั้นถ้าเทียมกันคือเป็นศูนไม่ได้เป็นบาทไม่ได้เป็นสตางไม่ยินใี้ดีไม่ได้ชัว่วในตัวมันเอง แบบคติธรรมโบราณนะครับว่าการที่เราได้พบกันในห้องประชุมนี้คติโบราณที่เชื่อกันเ่อกี้อาจจะเปนครั้งอดีตแต่บางเหล่าเราเคยทําบุญร่วมกันไว้เมื่อฉะนั้นทำไมต้องพบกันในพระคัมภีรศักษษษิ์สิทธิ์โบราณพูดไว้นะครับว่า ผู้ที่รับประพฤติศาสนาหรือมีความทราบซึ้งในคำสอนของพระเจ้านั้นครั้งอดีตเคยตั้งจิต ป, ปรารถนาจะเป็นพุทธมาแล้วทั้งสิ้นและผู้ที่เคยปรารถนาจะเป็นพุทธหรือเข้าให้ถึงพุทธก็จะรู้ธรรมะได้นะผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเข้าให้ถึงก็จะรู้ธรรมะอีกแบบ ทำที่ล้ำเลิกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบหรือประดิษฐ์ได้ไม่มีสิ่งใดที่มีออนภาพร้ายแรงเท่าภาษาหรือกฎหมายหรือคีประนวุฒหรืออะไรๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่มีสิทยภาพในการทำลายล้างสูงมันยังเป็นรอง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 แล้ในความคิดนั้นก็คือมีมนโนภาพครับปรากฏขึ้นเราคิดเป็นสิ่ ง, งหน่งนอยก็คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะคิดถึงทุกสิ่งไม่ได้ครับไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองปฏิบัติดูเดือนนี้ก็ได้ครับคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยไม่ไม่มีสักอย่างเดียวเมื่อจะคิด ถึงสิ่งหนึ่งิ่ใดมโนมภาพสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นแล้วมันจอใจของมนุษย์มีสิ่งมหาศัจย์นในการเนรมิตขึ้นสิ่งที่เราคิดขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของอดีตถูกเนรมิตขึ้นใหม่แล้วิถีชีวิตที่ขึ้นกว่ความคิดจึงเป็นวิถีชีวิตที่เป็นกระบวนการหยุดยั้งรั้งรออยู่ในอดีต ของควาที่จงเงินในความคิดคือคนที่ขาดความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจุบันสุนทรภคต์นั้นเล่าที่จริงมันเพียงอดีตที่ทิ่มหัวไปข้างหน้าเท่านั้นเง่งที่คาดการไปกระบวนการมุงอยู่ของมนุษย์เรากลับกลางกระบวนย้อนหลังเมื่อผมคิดถึงจังหวัดที่เคยอาศัยอยู่ ภาพของอดีตก็ปรากฏขึ้นเอ่อภาพปรากฏขึ้นในจอใจแล้วมันผมไม่รู้ตัวในขณะนั้นมันมนภาพปรากฏขึ้นควบคุมจิตใจของผมโดยทั้งหมดแล้วก็เริ่มมีอารมณ์อะไรอววรหรือดีใจหรือเสียใจอย่างไง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 คนก็คือกระจายหาอยสูงเราพปคราดูบางสิ่งอยู่นะครับว่าเรามีตาสำหรับเห็นรูปถ้าไม่มีรูปให้ดูเลยเนี่ยตามจะละลายไปด้วยครับประหาร ก, ก็ให้หมดหน้าที่หรือแขนที่ใช้แว่งไกวและจับต้องถ้าเราไม่ใช้แขนานามจะรีบครับมันจะรีบเข้ารีบเข้า ดุแมนอวัยวะหรือองค์อินทรีย์ทุกส่วนมีหน้าที่ใช้สอยควบคู่กับอารมณ์ที่ก้ามาประกอบถ้าอารมณ์ไม่ปรากฏอินทรีย์ก็จะหมดหน้าที่ลงหมดกิดลงในขณะเดียวกันเมื่ออินทรีย์ไม่ทำหน้าที่ของอินทรีย์อารมณ์ก็จะจบลงด้วยสองสิ่งนี้มาและไปด้วยกันดังนั้นในขณะที่ อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดปรากฏกับจิตเรสังเกตอีกครั้งนะครับว่าผมผมไม่ไใช้คําว่าเกิดในจิตอารมณ์เกิดในจิตนั้นเรารู้ไม่ทันนะครับเรียกว่าดุดกับการฉายภาพยนตร์บนจอนครับถ้าเราเพล่ดเพลินในท้องเรื่องที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นสรรแต่งขึ้นนะครับเราเข้าไปในเรื่อง ในเนเรื่องก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งโศกทั้งอารมณ์ดีใจและเสียใจเราจะเพลินไปกับเนื้อเรื่องเหล่านั้นในภาพยนตร์จะสมมติว่าเราเลียนท่าทีพของการดูภาพยนตร์นะครับแทนที่จะดูเอาภาพยนตร์เอาเนื้อเรื่อ ง, เ อ, เ, องเอาอารมณ์ตามท้องเรื่องเราการเป็นนักสำรวจเราดู ภาพหรือบางครั้งเราเกิดจรทั์ที่ภาพบรรยายเป็นภาษาซึ่งเราไม่เข้าใจเราเห็นแต่ตัวละครอ้าปากหุกปากกับพริบตาเดินหน้าเดินหลังเสียงได้ยินอยู่แต่เราไม่เข้าใจความหมายนั่นแสดงเราถอนตนจากการตามติดในเรื่องไปมาไปพูคสสารวจอิสรา ตรงนีเน้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญนะครับแต่ผมไม่ได้แนะให้ไปนั่งดูทีวีด้วยวิธีนี้นะครับเพียงไยกตัวอย่างให้ดูต่อจากนั้นถ้าเราเริ่มสังเกตให้กระชั้นชิดทึนอีเราเริมเห็นลำแสงอย่างพบจันกลางแจ้งนะครับที่ก็ฉายกลางแจ้งเราเห็นลำแสงพวกงมาจากเครื่องฉายเราก็ค่อยเลื่อนสายตา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 อย่างดีที่สุดของการใช้ความคิดปรุงแต่งเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจสัพธรรมหรือธรรมชาติอย่างดีที่สุดก็คือเราปรากเปรืองแตกฉานในความคิดแต่เมื่อเราจะไม่สามารถนำผลได้อันนั้นไปจัดการกับความทุกข์ยากที่เราเผชิญหน้าจริงๆอย่างโดดเดี่ยวผมก็หมายถึงว่าแม้จะทำมากในแง่นั้นนะครับแต่ผลจะน้อยนิดมากๆ ซึ่งตรงข้ามกัการทํะทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือการถอนตนจากความคิดก็าอาจจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าและเราจะดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้คำหมาย และสวัสดิการกับเราคนที่คิดมากคิดเก่งคิดชัดเท่าไหร่เขาหน้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอ น, นี้คงไม่มีใครโตยังอยู่โตเถียงได้นะครับแต่ Co ให้สังเกตจริงหนึ่งก็คือเพราะความคิดแต่มากมายใช่หรือเปล่าครับที่ทำาเราทุกหนทุกวิกจตการทั้งหมดมันมาทางความคิดครับ เราก็ไปเชิญหน้าสองด้านแล้วครับท่านยังไงเราจริงจะไม่สูญเสียความคิดแต่เราไม่จำเป็นต้องทุกกับความคิดด้วยบางความต้องการของเราดูจะขัดแย้งอยู่ในตัวบางครั้งบางคืนนะครับเรานอนไม่หลับสาเหตุก็คือเราไม่อ่จนจุดยั้งความคิดของเราได้เราไม่อยากจะคิดเลยเรื่องนั้นเรารู้ดีว่าถ้าคืนคิดเราจะเจ็บปวดแต่เราอดไม่ได้เรารู้ดีว่ากรณีเช่นนี้เราจะไม่อยากจะโกรธ โกรดแล้วมันเหนื่อยเจ็บปวดโรคภายใข้เจ็บจะรุมรเร้าลยูแต่เราก็อดไม่จะห้ที่จะต้องโกรดเรามีสติกันทุกคนนะครับเวนไว้แต่เราเป็นคนวิกลจริตนั่นก็เป็นความพิการหรืออา พ, พับพระแต่คนทุกคนจะต้องมีสติแล้วนลเราจะได้ยินถ้อยคาที่กล่าวว่าใช้สติตัวเดียวเนี่ยละทุกสิ่งทุกอย่างได้ผมคิดว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ สติไม่ใช่ตัวละเลยเป็นเพียงตัวการที่นำเราไปเชิญกับความจริงดังนั้นส่วนตัวล่ามันอีกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการลังเลในข้อแ น, นะนำเลยครับผมจะยกพุทธภาสิขึ้นมาสำทับ <c oughs> ไม่ใช่เพื่ออุปภูงนะครับจริงพุทธภาสิเหล่านั้นลวนแล้วแต่มีมิติที่รุ่มรึเตะความได้หนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นหรือที่สุดก็ได้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 ที่เป็นลูกเรายืนต่อหน้าลูกเรารูสกเราเป็นใครคนหนึ่งที่ยืนต่อหน้าที่ยืนอยู่ต่อหน้าแม่หรือลูกของเราอันหนึ่งกันใดครับภาพสะท้อนนั้นนั้นนะครับเปรียบเหมือนภาพดวงตาในทะเลทรายหรือในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดทําให้เกิดชั้นบรรยากาศ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 และพลังมโนภาพของมนุษย์สำหรับสัตว์เรื้อลานบางชนิดนะครับที่มีความเฉลียวฉลาดเช่นสุนัขต้อมีมโนภาพแต่กินช่วงสั้นๆผมเคยทดลองเลี้ยงสุนัขสองตัวครับวันหนึ่งเขาเขาก็กินอาหารคือกระดูกกระดูกกันเขากินให้หมดเพราะมันมากมีชาวบ้านคนหนึ่งออกมาให้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 เชื่อว่าทุกคนหลายคนคงเข้าใจคำวัวพันหลักแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะลําบากครับเพราะไม่คยเห็นไม่ค่อยเห็นวัวนะวัวที่มันเด่นจะหนีไปกลางทุ่งไปกินหญ้ามันยิ่งเด้นถลายยิ่งพันตัวมันเองเข้าในสุดวันถึงช่วงขณะหนึ่งก็ล้มตึงทุกๆขณะกระแสความคิดไหลผ่านเราครับแล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอาสวะ ผ่านก็มาทางความคิดกระแสอาสวะไหลต่อมื่ออยู่ในตัวเราครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเดังนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นชี่ตรงไปสู่การทำลายความไม่รู้ตัวครับเพื่อเข้าไปตัดกระแสอาสวะที่ไหลอยู่ลึกที่นี้ผมพูดเปิดถึงคมว่าสตินะครับที่เราคิดว่า สติทำให้ละกิเลสลาขะโทสะโมหะหรือบางคนอาอธิบายขยายว่าถึงหนาดละอาสวะได้ด้วยแต่ถ้าเราดูพรงตามที่เป็นจริงครับสติในความหมายคำว่ารู้ตัวนั้นมีความหมายหลายซับหลายซ้อนพระดวงรงตรัสว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวนหาได้ไหม เวรคืออะไรครับอย่างตอนเราเป็นนักเรียนนี่ครูก็จับให้ทําเวรสมัยนี้คงไม่มีแล้วครับสมัยโบราณต้องจับเวรแล้วก็อยู่เวรเฝ้าเวรถึงเวลาต้องทำนม้นเวรก็คือกรรมคุณท่านั่นเองครับถึงเวลาต้องอยู่เวรอีกแล้วต้องไปกระทํานอีกแล้วครับในการเสพในการกินในการอะไรสุดแท้นะครับดังน้นสติละเวรไม่ได้ครับเหงนันเวลาเราโกรธ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 ให้ท่นสอนเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าเราคะก็ีโทสะโลภโมหะปรากดขึ้นให้เรามีสติกำกับรู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วแล้วให้พิจารณาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยคลางแคลง ว, ว่าจะปิด เชื่อฟังตามนั้นนะครับก็ปฏิบัติตามแต่โดยประสบการส่วนตัวของผมแล้วพบว่าหนักขึ้นครับเพราะมราคะโทสะโมหะเกิดไปดูมันเข้ามาันเลยจำมาลงนั้นครับจิตจุนคนธรรมาทั่วไปเห็นอะไรจะจําอาลงมันเันมทีดังนั้ น, น, น, นยิ่งจํามันไว้เท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นรุนแร ง, รงขึ้นทุกทีทุกทีแทนที่จะเบาโปร่งสบายสบาย ติดกันในันปัญหานี้นานดีว่ากับนานนับสิบปีครับเป็นสิบๆได้ครับไม่ใช่วันสวันกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับก็และนอนเดเหนื่อยและยุ่งยากมากครับการคลี่คลายสถานการณ์นั้นผมเพิ่งมารู้ด้วยวตัวเองนะครับว่าที่ว่าโดยตัวเองนั่นหมายว่าไม่มีใครมาแนะนําอีกนะครับก็คือ แทนที่จะดูราคะโทสะโมหะผมต้องสำรวจพื้นใจก่อนหน้าที่ราคะโทสะโมหะรากฏนั้นให้แน่แน่นให้อันี้เป็นเนื้อเป็นตัวเลยครับนั่นคือแทนที่จะเอาตัวโทสะราคะโมหะแต่เอาตัวไม่มีนะครับอาตัวไม่มีเป็นฐานปกติที่เรานั่งอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีครับผมเชื่อตรกนั้นนะราคะก็ไม่มีครับโทสะก็ไม่มี ถ้าใครอยากจะด่าผมนี่ผมยินดีให้ด่าเอาเลยครับเราสึกเราไม่อยากด่าเราไม่อยากมีมนะันแต่เราอาจจะมีมื่อหาบ้านที่ลืมๆตัวหรือนั่งนั่งเข้าไปในความคิดเป็นมื่อหาอยู่บ้างแต่โดยพื้นเพลแล้วเราจะไม่มนะีแต่ในขณะที่เราไม่มีโทรศัพท์โลภะเหล่านี้เรามักจะไม่เข้าใจครับเราก็ปล่อยใจคิดนึกไปเล่นไปเรื่อยแทนที่จะดูมันแล้วก็ทําความแนบแน่นสนิทสนม วิธีชีวิตของคนธรรมดาสามัญด้วยความรู้สึกตัวง่ายๆนี้ครับนี่เป็นรากฐานใหญ่มากสำหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตของมนุจะรอบเรื่องได้ด้วยสภาวะปกติของกายและใจนะครับขณะที่เรานั่งอยู่ขณะที่เรารู้รตัวเบาๆปลอดโงนี้นะครับคือขณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการภาวนาไม่ใช่ขณะที่เรากำลังอยู่ในถ้ำในป่าหรือในเขา แล้ไม่ใช่ขนาดที่เราต่อสู้เพื่อจะละราคะและโทสะละโมหะแต่ถ้าแม้ที่เราคุ้นเคยกับภาวะที่ปราศจากราคะโทสะละมหแล้วครั้นราคะความคิดที่มึนราคะโทสะละโมหปรากฏมันจะไม่เอาเองครับเราไม่ต้องลคะนะเราไม่ต้องการมันมันไม่น่าจะอยู่กับเราผมผมพูดอะไรคล้ายๆหรือเปล่าครับว่าราคะรละโทสะถ้าเราไม่ต้องการมันจริงๆมันจะอยู่กับเราไม่ได้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 ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวของเราดูเรื่องๆเป็นระยะระยะครับแต่แล้วเพราะความจําความจํานั้นเปรียบเหมือนมือที่เปียกน้ํานะครับแล้วเราซุกลงในสายแห้งจะห้ามไม่ให้สายปิดขึ้นมานไม่ได้ ค, ความจําคนทั่วไปนั้นอยังเปียกชื้นไปด้วยความปรารถนาคือชอบจำอารมณ์ที่เองปลากนาไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็จํากันืนเดิมจำในแง่ลบใครด่าเจ็บๆก็จําไว้หรืออะไรที่อร่อยเพลิดเพลิ น, น, นก็จะจำไว้ ดังั้นกระบว น, นการความจำของเราจรึงย้อนอดีตเพราะาู้วงแต่อารมณ์ที่เคยลิ้มเคยลองและย้อนมากลายเป็นความหวาดกลัวที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดูตัวอย่างเช่นนเรื่องความตายที่จริงผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้กลัวตายถูกเพราะจะกลัวเจ็บหรือกลัวผลสไม่้าความตาย แต่เราจะกลัวสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์นี่ไม่ได้ครับมันผิดหลักในแง่จิตวิทยาหรือในแง่ประสบการณ์นะครับเด็กเล็กๆไม่เคยรู้จักไฟเขาจะไม่กลัวไฟหรือไม่รู้จักมีดคมๆเขาจะไม่กลัวมันแต่ว่าก็แตะสักครั้งน่าเจ็บเขาจะจําทันทีนะครับทีหลังเขาจะเริ่มสร้างโนภาพจากประสรบการณ์ของก็ดีเอ็งเห็นใบมีดเท่านั้นสึกเสียวาบแล้วพอคิดว่ามีดจะบาดรู้สึกมันจะบาดจริงๆแล้ว ประสการณ์นี้ถ้าสมมติมีดบาดในขณะดที่มีดเฉือนไปในเนื้อตอนนั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเมื่อเราถูกเชิญให้ขึ้นพูดในที่ประชุมก่อนขึ้นเลยครับกลัวมากแต่ตอนอ้าปากพูดแล้วก็ดูจะหายไปความกลัวมีเรื่องขำขันว่าอับดุลฮานท่าก่อนขึ้นพูดซึ่งเขาเป็นนักพูดตัวเองครับ ขอให้สัมภาษ์าก่อนจะพูดผมกลัวแทบตายเลยนะแต่พออาว่าพูดตายก็ไม่กลัวแล้วการเช่นนี้ครับคือเรามีการคาดเดาไปล่วงหน้าอันนิ่งจากประสบการณ์ของความทรงจําของอดีตเหมือนวิถีชีวิตของเราอยู่ตรงนี้วิถีชีวิตของเราเป็นการวิถีแห่งการค า, าดเดาไปโดยปริยายเป็นวิถีแห่งความตรึกนึก ในมิมติของตระกอดคือคิดแยกแยะตลอดเวลาคาดการพยากรณ์มิติแห่งความตรดหรือวิธีแห่งตระกอดจะต้องถูกเปลี่ยนยุทธวิธีครับการโพวนา น, นั้นไม่ใช่อะไรอย่างนะครับคือยุทธศาสตร์ในการดารงชีวิตอยู่ใหมแทนที่จะคล้อยตามกระแสความคิดยแยกแยะเราเปลี่ยนเปยุทธศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์ฐานของมันคือความรู้สึกตัวครับ เรากระพริตามมีความสึกสดประการหนึ่งปรากฏขึ้นมันหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเป็นประสบการณ์จริงซึ่งมันมักเลี้ยวปัจจุบันขณะแต่ประเด็นนี้ครับที่เป็นประเด็นส ก, ก, กัดจกรนั่นก็ว่าการเรียนยุทธศาสตนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับเนื่องจากเราติดอยู่ในอารมณ์เราจํามันอย่างมั่นคงดังตัวอย่างยกตัอย่างว่าความตายนะครับเราไม่น่าจะกลัวตายเพราะเราไม่ไม่เคย มีประสบการณ์ของความตายแต่ถ้าใครบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะตายในชาติปางก่อนมันสังสมประสประสบการณ์นั้นไว้ก็ได้ที่ตรงนี้จะดีครับแต่ผมจะไม่ล่นเลยไปสู่ประเด็นนี้นะครับความกลตายนั้นที่จริงเราไม่ได้กลัวครับแต่เรากลัวจะพัดพลาดจากชีวิตซึ่งเราชิมแล้วชีวิตที่เราดำรงอยู่เรามีตามีหูมีจมูกมีเลิน้นมีกายมีใจสําหล่ารับรูบ้อารมณ์